ทำไมสวดคล่องฮะอทองง่ายๆนะไปทองนะเนี่ย่องง่ายๆเล่สวดคล่องไปทองเอาทองง่ยายๆยานะภายใน6กยนานะภายนอกหกวิญญาณหวัสสะหเวทนาหกวินาห สัญญาหกสัญเกตนาหกสัญญาสัญเกตนาปัญหาวิตกวิจารส์บนาสิบหมวดสบหมวดให้กหนดจำกาหนดจำสิลนี้เป็นเป็นสภาวะธรรมข้างในอยู่ในตัวเราเนี่ เป็นสภาวะธรรมข้างในยอยู่ในตัวเราที่เราว่าเราว่ามาทั้งหมดมันอยู่ในตัวเราทั้งหมด ถึงคราวที่เรามาไข้ครควนเรามาแยกแยะเราก็มาไข้ครควนมาแยกแยะถึงคราวเราภาวนาสงบเราก็ตั้งใจภาวนาให้สงบเพราะความสงบนั้นมันได้กำลังใจแล้วมาพิจรารณาเอากำลังใจที่เรามีมาตามพิจรารณาสิ่งเนี้ทั้งหมดอะไรเกิดขึ้นมาคืออะไรเป็นไรรู้ทันรู้ทันรู้ทันรู้ทันมารู้จับชื่อมันก็ตาม ทัรู้ทันรู้ทันรู้ทันรู้ทันร้ทันไมู้ชื่อมันก็ตามตัวเห็นหลายแง่หลายมุมให้เห็นที่เกิดที่ตั้งอยู่ที่ดับให้เห็นที่เกิดให้เห็นที่ดับให้เห็นความไม่คงที่ของมันที่เกิดที่ดับก็คือความเปลี่ยนแปลงของมันนั่นแหละความไม่คงทนของมันความไม่คงที่ความไม่เที่ยงนั่นแหละความเป็นทุกข์ความเป็นอันนี้จังความเป็นทุกข์ขัง ความเป็นอนตาของมันนะ่ะมันเป็นกิจกรรมการของไตรลักษณ์นั่นแหละมันเป็นลักษณะสามอย่างที่เขาเรียกว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ลักษณะสามอย่างคือไม่คงทนต้องเปลี่ยนไปกะเกณฑ์ให้เป็นอย่างอื่นก็เป็นไม่ได้เป็นไปตามคันหลองของเขาใครไปกะเกณฑ์ให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ ทัศนกทุกอย่างทุกชิ้นสังขารทุกอย่างเรื่องราวทุกเรื่องทุกสีทุกอย่างประมวลมาลงทั้งหมดมีภาวะเท่ากันหมดอดีตก็เป็นอย่างนั้นปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นอนาคตก็เป็นอย่างนั้นสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอดีตก็เป็นอย่างนั้นที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นที่กาลังจะมาถึงนอนาคตก็เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไร เปลี่ยนแปลงทิศทางไปเป็นอื่นไปได้ถ้าเจอหเห็นหเห็นภาว่าเของความไม่เที่ยงความไม่คงทนเกิดดับเกิดดับก็คืออะไรก็คือไม่เที่ยงนั่นแหละให้เห็นใะเห็นด้วยปัญญาด้วยปัญญาญานมันยังไม่เกิดปัญญาญานก็ให้ดูให้เห็นให้ทันสังเกตสังการไปอื่นละออกถีทวนไปเรื่อยๆขั้นใจปฏิบัติธรรก็จะไม่ทําให้เราติเราตัน เมื่อที่มันตเราสงบทุกคนพอเป็นช่มมันเย็นมันอยู่กับความสงบได้รับความแช่มชื่นได้รับความเบิกบานได้รับความครึมยิ้มย่องอยู่ในความสงบแค่อยขยับขยายค่อยๆพิจารณาค่อยขยับไปคือก้าวไปขยับไปค่อก้าวไปขยับไปไม่รู้จะจับอะไรจิตกระดกกระดิกไปเกี่ยว่อจับกระดกกระดิกไปเรื่องอะไรจับจับรู้จักชื่อมันก็ตามไม่รู้จับชื่อมันจับจับจับจับ ดูความไม่คงทนของมันดูความเปลี่ยนแปลงของมันนักเข้าก็นั่งดูความเปลี่ยนแปลงของมันนั่งดูความเปลี่ยนแปลงของมันโอ้อันนั้นเป็ี่ยนนั่นเปลี่ยนแปลงนั่นนั่งก็ตั้งอยู่งั้นอันก็โล่กันแล้วคื่อนนั้นตามมาอันนั้นโล่งไปอันนั้นตามมาอันนั้นโล่งไปันนั้นตามมาอันหนึ่งเกิดอันหนึ่งอันหนึ่งดับไปอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งดับไปอันหนึ่งเกิดขึ้น วิทยาองมัมันสืบช่วงกันสืบต่อการไปดูเราไปควรไปศึกษาไปตั้งใจปฏิบัติไปเดินอบรมให้มากไปนั่งภาวนาให้มากเรานั่งยังไม่มากเราแค่นี้นี่เรานั่งแค่นี้เรานั่งไม่มากหรอกเรานั่งแค่นี้ยังไม่ถึงได้เจ็บกับปวดได้ซ้ำไปก็นั่งได้ไดเจ็บได้ปวดได้ต่อสู้กับเวทนาไปนั่งสักครึ่งคืนนะนั่งสักตีหนึ่ง ยาเข้าไปนั่งสักตีสองนั่งเยาวเข้าไปซีสามยาวเข้าไปตีสไม่ต้องพลิกไม่ต้องเปลี่ยนนั่งให้มันเจ็บให้มันปวดนั่งให้มันตายนั่งทิ้งนั่งทิ้งนกเอาไว้ถึงขั้นนั่งทิ้งลางดูใจจะลุ้มบอลกันแน่ๆเลยเล่นงานกันแน่ๆหละเจอของดีแน่ๆสู้เอาไว้ก็แล้วกัน ถ้าเรามาทําแค่ตัวอย่างเนี่ยที่เรามาทำนี่แค่เป็นตัวอย่างแค่เป็นเยี่ยงอย่างเท่านั้นเองที่เรามาทําถ้าใครมาหวังกินแค่นี้ไม่พอกินหรอกกลับไปเจริ้งไปทําทั้งวันทั้งคืนนะใครมาหวังมาเป็นมาอยู่แค่นี้ไม่พออิมอ่มปาอินท้องหรอกไม่ทําเขาหรอกกลับไปจะต้องไปเดินจะต้องไปนั่งจะต้องไปนับจะต้องไปไล่ โอ้วันนี้ได้ฉะนั้นวันนี้ได้ฉะนั้นวันนี้ได้ฉะนั้นนะ เ, เรียเร่งเข้าไว้เรียเร่งเข้าไว้<ม>เราไม่เร่งตอนที่เราต้องรู้ยู่เราม่รจะไปเร่งตอนไหนนี่ก็เป็นแบบอย่างที่เรามาพานั่งกันแค่นี้แล้วก็มาทําวัดแล้วก็มาสวดมนต์แค่นี้ก็มันแค่เป็นแบบอย่างยังไม่พอจะได้อะไรเลย ถังไม่พอที่จะได้มีการต่อสู้อะไรเลยมันมีประสบการณ์น้อยนิดไม่มีประสบการณ์อะไรเลยไม่มีอะไรพอที่จะเอามาคุยมาพูดได้วันนี้ก็ได้แถวนี้วันนี้ก็ได้ท่านี้ตรงนี้ก็ได้ถานี้ใครคอยกินแต่แค่นี้ไม่ทันเขาดอกกลับไปจะต้องไปทำทำให้มากกว่านี้เดินให้หนื่อยแล้วค่อยขึ้นไปนั่งเดินให้เหนื่อยแล้วค่อยขึ้นไปนั่ง นั่งให้เหนื่อยจะพักผ่อนจะนอนก็ค่อยหลับค่อนอนนอนก็นอนภาวนาไปจนหลับหลับตื่นขึ้นมากลุกตื่นขึ้นมาลุกพวพปั๊บทันทีตื่นขึ้นมาลุกพวพปับทันทีตื่นขึ้นมาลุกพวพ ป, ปั๊บทันทีลุกมานั่งสมดเจ็บจอมาที่หัวหของเร า, าเราใชนั้นเขาขัดเกลารอยอย่างนี้มีชักคร r y a n โยะประกอบความเพียร เป็นเครื่องตื่นประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นมีราดีเรียบมีราตรีเดียวเจริญมีราตรีเดียวเจริญประกอบประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นเป็นข้อปฏิบัติไม่ผิดชาคริยานโยคชาค리ยาชาคิยาชาคิยะชาคระชาคิยะชาคิยะ แปลว่าประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นชาคริยะประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นเป็นเครื่องลุกเป็นเครื่องปลุกปลุกตัวเองลุกให้ตื่นไม่มึดไม่มันหลับไม่มันจมปลุกไปทุกระยะทุกเวลาเอาสติเอาสังฆชนญาปลุกต้องใจเอาไปเร่งเอาไปเรื่อเร่งเอาเราก็ได้มาทํากันแค่นี้ เป็นแบบอย่างจากนั้นเราไปเร่งเอาไปทำเอา okay.